มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรเมนดกะปัญหาเริ่มต้นที่จะถามปัญหาเป็นสองแง่พระยามิลินทรงรำพึงถึงเมนดกะปัญหาอัทโขนาคเสนโนลำดับนั้นพระนาคเสนผู้มีอายุก็ถวายพระพรลากลับไปสู่สังคาราม ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาผู้ประกอบด้วยปัญญาฉลาที่จะไต่ถามอัถปัญหาครั้นว่าได้ไต่ถามพระหน้าเขเสนส่องเสพสมาคมเข้าก็ค่อยมีปัญญากว้างขวางไปในพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธวจนะมีองค์ก้าประการจึงสเสด็จเข้าสู่ที่ระหูฐานสงัดสมเด็จพระเจ้ามิลินปินขษัตรจึงทรงรำพึงไปในราตรี เห็นว่าเมธะกะปัญหานี้ยากที่บุคคลวิสชนาได้นานไปภายหน้ากุลบุตรในพระพุทธศาสนาจะสนทนากันด้วยพระพุทธวจนะเป็นเมธะกะปัญหาแล้วจะวิวาทกันด้วยพระไตรปิฎกนั้นเป็นหลายสถานสมเด็จพระศาสดาจารย์ตรัสไว้โดยปริยายนั้นก็ดีตรัสไว้โดยอัดนั้นก็ดี ตรัดไว้โดยสภาวะนั้นก็ดีหันทะพิดังนั้นอาตมานี้จะให้พระหน้าเกษณ์ชื่นชมยินดีในถ้อยคำของอาตมาแล้วจะถามซึ่งเมนตะกะปัญหาให้พระหน้าเกษณ์วิสัชนาแก้ไขให้แจ้งแจม่มใสจะได้แก้เสียซึ่งทิฏฐิแห่งกุลบุตรอันจะมาเกิดในอนาคตการเบื้องหน้าเรื่อง พระยามิลินทรงสมาทานคุณธรรมแปดประการอัถโขมิลินโทราชาอันดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิบดีครั้นมราตรีรุ่งร่างสว่างฟ้าเสียงส ก, กุณานิกรนกผาดผันโผผินบินไปจากรงรังเร่ร่อนสัญจรเที่ยวเล็มล่าหาอาหาร ชาวพนักงานพร้อมเพรียงก็ประโคมด้วยเสียงดุริยางคดุลตรีกระจับปีสีซอตแตรสังหมู่พรามนั่งถวายชัยมงคลสมเด็จพระเจ้ามิลินก็เสด็จออกจากที่ระโหฐานชำระพระองค์สงสนาแล้วน้ำพระทัยเธอผ่องแผ้วมิได้น้อมไปต่อเมถุนธรรมตั้งอัญชลีประนมเหนือสีโรดของอาตมาอนุสริตวา มาระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นอดีตล่วงแล้วและเป็นอนาคตปัจจุบันขณะนั้นเท้าเธอก็สมาทานซึ่งวัตตปฏิบัติแปดประการด้วยสันนิฐานเข้าพระไัยชนิว่าอาตมาจะสมาทานซึ่งคุณแปดประการจะตั้งตะบะคุณให้เกิดขึ้นเป็นอันดีเมื่ออาตมาสำเร็จตะบะพิธีแล้ว อย่างพระอาจารย์คือพระนาคเษนให้ท่านเชื่นชมยินดีแล้วจะถามเมนดกะปัญหาพระเจ้ามิลินทรงพระจินตนาการดังนี้มิได้ชา้าอปนะยิตวาพระองค์ผลัดพระภูษาที่ทรงเป็นปกติเสียแล้วทรงนุ่งผ้าย้อมฝาดผืนหนึ่งพันคาดพระเสียนกระทําเหมือนวงแหวนอันงามบวรเปลืองเสียซึ่งอาภร อ, อันงามวิจิต สถิตอยู่ที่ไหนเป็นมุนีภาวะนักปราชปริชายานแล้วสมาทานซึ่งคุณแปดประการทุวนเจ็ดวันคุณ8ปดประการนั้นนรัญญาอัโธอนุสาสิตาโพคือไม่ได้สั่งสอนอัตธรรมว่าราชการนั้นประการหนึ่งนราคุประสันหิตังจิตังอุปาเทตพังมิได้ให้จิตกำหนัดจินดี ด้วยอำนาจแห่งราคะดำริศนาประการหนึ่งกักสจิบรสโกโทโกระรณียมิให้พระไทยกโกรธเคียดแทนแก่ผู้ใดผู้หนึ่งประการหนึ่งณโมหวะวเสนจริตพังมิได้ประพฤต์เป็นโมหจริตลุ่มหลงประการหนึ่งนิวาตะวุตินาภวิตพังประพฤต์อ่อนน้อมต่อนางทาสี และนางพนักงานใช้และห้ามแหนทั้งปวงมิให้หยาบช้าทารุณประการหนึ่งกายยิกะวาจาศิกังอนุรักขิตตพังรักษาซึ่งสุจริตคือกายและวาจาประการหนึ่งฉะปีอายตนะนิรักขิตพานิรักษาสํารวมอายตนะหประการมีจากขวาอายตนะเป็นต้นมีมะนายตนะเป็นปริโยสารประการหนึ่ง เมตตาภาวนายะมานะสังปักขิปิตพังปลงจิตลงในกระแสเมตตาภาวนาประการหนึ่งเิริเป็นคุณ8ประการเท่านี้เรื่องพระยามิลินตรัสเรื่องจะถามเบนกะปัญหาสมเด็จพระเจา้ามิลินภูมินทราธิบดีปลงพระไทยสถิตในคุณแปประการนี้มิได้เสด็จออกกำหนดเจดวันครั้นรุ่งขึ้นเป็นวันอัฐมี สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีจึงเสวยพระสุทธาหารแต่เช้าสนทนาพาธีด้วยถ้อยคำควรจะรักใครตั้งอยู่ในอิริยาบทเป็นอันดีมีน้ำพระไทยไม่ได้ฟุ้งซ่านมีพระหารไทยชื่นบานหันสาเฟื่องฟูจึงเสด็จไปสู่สำนักพระนาคเสษนผู้วิเศษประนมกรขึ้นเหนือเกศแล้วจึงมีพระราชะองค์การตรัสว่า พันเตนาฆเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาโยมจะใคร่สนทนาอัดอันหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าสองต่อสองและอัดอันนี้อย่าให้มีคนอื่นแซมแทรกแปลกปลอมเข้ามาได้อัดอันนี้เป็นโอกาสอันรับสงัดดุดป่าอันสงัดสมควรแก่สมณะสรูปโยมจะถามอัดอันนี้เป็นปัญหา นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาแต่ถ้าว่าอัดที่ไม่ควรจะรับก็อย่าได้รับอย่าได้ซ่อนอำพรางปกปิดไว้จงกระทำอุปมาอุปไมให้เห็นแจ้งแจ่มใสยะถากิงวิยะจะเหมือนด้วยสิ่งใดดีมีครุวนาดุดปัทถภีอันเป็นที่ซ่อนของไว้และเป็นที่จะหาของฉันใดเล่าตัวข้าพเจ้าก็เหมือนกัน เป็นที่จะฟังซึ่งอัดอันลับเป็นที่ควรจะเสาะสแสวงหาตรึกตรองคิดซึ่งอัดนั้นตรัชนีแล้วก็เสด็จเข้าสู่ที่สงัดกับพระนาคเษนพระยามิลินทรงแสดงที่แปดแห่งว่าไม่ควรพูดความลึกลับแล้วมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาฆเสนข่าแต่พระนาคเษนพระผู้เป็นเจ้า บุคคลจะคิดซึ่งอัดอันคำเพียรภาพหึกลับนั้นให้เว้นจากปริวัติชนิยฐาน8ประการและบุรุษจะรำพึงการอันเป็นอัดอันลับจะพูดอัดอันลับนั้นถ้าไม่เว้นสิ่งควรเว้น8ประการนี้แล้วย่อมจะเสียความพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญปริวัติชนิยฐาน8ประการนั้นวิสมังฐานัง คือที่มิได้เสมอกันประการหนึ่งสัพพยังคือที่ประกอบด้วยภัยประการหนึ่งอติวาโตคือที่ลมพัดแรงนักประการหนึ่งปฏิชั น, นังคือที่กำบังประการหนึ่งเทวัฐานังคือที่เทวะสถานประการหนึ่งปัณโถคือหนทางประการหนึ่งสังกโมคือที่ย่างขึ้นย่างลงประการหนึ่ง อุทกะติดถังคือที่ท่าน้ำประการหนึ่งเศริเป็นปริวัติชนิยฐาน8ประการในการบัดนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสแก่พระนาคเกษดังนี้พระนาคเกษเถระจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชดูกะระบ่อพิษพระราชสมภารที่ควรจะเว้นทั้งแปดประการนั้นเป็นเหตุไหน บ่พิจงวิสัชนาให้แจ้งแต่ละข้ออย่าให้ย่อจงตรัสไปให้แจ้งก่อนนะักการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองการแก้ไขว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาบุรุษจะพิจารณาตรึกตรองซึ่งอัดนั้นฟั่นเฟือนเร่ร่อนไปเพราะเหตุว่าที่นั้นไม่เสมอนั่งนอนไม่สบายประการหนึ่ง ข้อหนึ่งบุรุษนั่งรำพึงอัดในที่อันมีภัยผีร้ายช้างร้ายเสือร้ายเป็นต้นก็ให้ขนพองสยองกล้าวมิอาจจะรำพึงอัดนั้นได้ประการหนึ่งข้อหนึ่งเล่าบุรุษจะคิดซึ่งอัดในที่ลมกล้าตกว่าเสียงลมพัดดังตลบออกไปไมิอาจที่จะคิดอัดอันนั้นได้ประการหนึ่งข้อหนึ่งเล่าบุคคลจะคิดอัดในที่ลับนั้น จะมีคนมองฟังให้เสียการนี้อย่างหนึ่งข้อหนึ่งเล่าบุรุษจะคิดซึ่งอัดในที่เทวสถานดุจสาลเทพารักษ์นั้นต้องห้ามอยู่เพราะว่าสารเทภารักษ์นั้นเป็นที่เคารพนบนอกไม่ควรจะคิดอัดในอย่างหนึ่งว่าเป็นที่คนไปมาบวงสวงสการะบูชาคํานับประการหนึ่ง ข้อหนึ่งจะคิดอัดที่หนทางคนเดินไม่ได้ความเพราะคนไปมาสับสนประการหนึ่งข้อหนึ่งจะคิดอัดอันลับที่คนเขาจะย่างขึ้นจะย่างลงนั้นย่อมกระทั่งกระเทือนไม่สงัดมิอาจจะรำพึงอัดอันลับได้ประการหนึ่งข้อหนึ่งจะคิดอัดที่ท่าน้านั้นเป็นที่คนไปตักน้าไปอาบน้า ส, ำสับสนไม่ควรจะคิดการลับประการหนึ่ง เหตุนี้จึงว่าที่ทั้งแปดประการวิสมังคือที่ไม่เสมอสัพพยังคือที่เป็นที่สะดุ้งตกใจอติวาโตคือที่ต้านลมพัดปฏิชั น, นังคือที่กำบังเทวนิสิตังคือที่เทวดาสิงอยู่ปันโถคือหนทางสังกโมคือที่ย่างไปติดโถคือท่าน้ำ ที่8ปดประการนี้เป็นที่ควรเว้นไม่ควรจะสนทนาพูดจาซึ่งอัดอันลับเรื่องพระยามิลินทรงแสดงคน8ดจำพวกว่าคิดความลึกลับไม่ได้ประการหนึ่งเล่าพันเตนาคเสนาฆ่าแต่พระนาคเสนผู้เจริญยังบุคคลอีก8ดจำพวกถ้าว่าคิดอัดแล้วพระยาปาเทนติ ยังอาจอันลึกลับให้ชิบหายไปกาตาเมอาถะปุกคลาบุคคลจําพวกนั้นได้แก่ใครบ้างราคาจริโตปุกคโลคือบุคคลราคาจริตพวกหนึ่งโทสะจริโตปุกคโลคือบุคคลเป็นโทสะจริตพวกหนึ่งโมหะ จ, จริโตปุกคโลคือบุคคลเป็นโมหะจริตพวกหนึ่งมานะจริโตปุกคโลคือบุคคลเป็นมานะจริต ลุโทโธคือบุคคลหยาบพวกหนึ่งอระโสคือบุคคลเกียรตคร้านพวกหนึ่งเอกจินติโตคือบุคคลมีจิตคิดเห็นเอาแต่ใจตัวนั้นพวกหนึ่งพาโลคือบุคคลเป็นพานพวกหนึ่งสิริเป็นแปดจำพวกเดียวกันเมื่อสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีตรัสชะนีพระนาคเสณเถระจึงมีวาจาสักถามว่า เหตุการเล่าบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์จึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญบุคคลที่เป็นมราค้าจริตนั้นกำหนัดอยู่ด้วยราคะแม้นจะพูดด้วยอัดอันลับจะคิดซึ่งอัดอันลับมิอาจที่จะคิดได้ยังอัดอันลับให้ชิบหายนะผู้เป็นเจ้าประการหนึ่งเล่า บุคคลเป็นโทสะจริตนั้นยังอัดอันลับให้ชิบหายไปด้วยใจนั้นโทโสเข้าครอบงาในสันดานและคนเป็นโมหะจริตคิดการอันลับนั้นไม่ได้ด้วยเป็นคนหลงลืมฟั่นเฟือนไปบุคคลเป็นมานะจริตนั้นไม่คิดอัดอันลึกลับได้ด้วยใจมานะกระด้างดื้อถือผิดเป็นชอบและบุคคลหยาบนั้นก็ไม่คิดอัดอันลึกลับได้ เพราะมีความคิดหยาบและบุคคลผู้เกียจคร้านนั้นก็ไม่คิด อ, อัดอนลึกลับได้เพราะประกอบไปด้วยความเกียจคร้านและบุคคลประกอบเป็นเอกะจินติตะนั้นคิดให้เนื่องระคนปนเข้าที่ตนคิดเห็นไปผู้เดียวไม่มีใครเห็นด้วยจึงคิด อ, อัดอนลับไม่ได้บุคคลที่เป็นใจผ่านปัญญาน้อยมิอาจจะคิด อ, อัดอนลับได้ พระผู้เป็นเจ้าจงรู้เถิดด้วยประการดังนี้นี่แหละพระอาจารย์เจ้าผู้แต่งคำพีจึงผูกเป็นคาถาไว้ดังนี้ราคะโทโสจะโมโหจะมโโนลุธโทจะอละโสเอกะจินติโตจะพาโลปัญญาเวกะละตายจะเอเตอัังวินัสสยุงอัฐมันตะวินาสกา แปลเนื้อความในพระคาถานี้ว่าบุคคลแปดจำพวกนี้คือบุคคลประกอบด้วยราคะหนึ่งบุคคลประกอบด้วยโทสะหนึ่งบุคคลประกอบด้วยโมหะหนึ่งบุคคลประกอบด้วยมานะหนึ่งบุคคลหยาบหนึ่งบุคคลเกียรตครานหนึ่งบุคคลเป็นเอกจินติตะหนึ่งบุคคลเป็นพานหนึ่งนี่แหละจะคิดอัดอันลึกลับมิได้ สิ้นความในพระคาถาเท่านี้เรื่องพระยามิลินแสดงคนก้าวจำพวกว่ามิอาจทรงจดจำอัดอันลึกลับได้สมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราช อ, องค์การตรัสต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญอันว่าบุคคลก้าวจำพวกนี้มิอาจจะเปิดออกซึ่งอัดอันลึกลับได้และบุคคลก้าวจำพวกนี้ มิอาจจะทรงจะจําไว้ซึ่งอัดอันลึกล้ำคำเพียรภาพได้คนเก้าจำพวกนั้นอย่างไรคนเก้าจำพวกนั้นคือบุคคลเป็นราคะจริตหนึ่งโทสะจริตหนึ่งโมหจริตหนึ่งพีรุโกคือบุคคลมีชาติอันขาดหนึ่งอามิสะครุคือบุคคลเคารพในลาบหนึ่งอิถีคือสตรีภาพหนึ่งโสนดี คือนักเลงสุราหนึ่งมันดโกคือคนขี่แต่งตัวหนึ่งทารโกคือทารกหนึ่งสิริเป็นก้าวด้วยกันพระนาคเสนรจรึงถามว่าคนทั้งก้านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรจรึงมิอาจจะจำไว้ซึ่งอัดและมิอาจจะทรงไว้ซึ่งอัดนั้นได้พระเจ้ากรุงมิลินจึงวิสัชนาแก้ไขว่า พันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญบุคคลที่ประกอบในราคะจริตนั้นมีจิตกำหนัดจึงไม่อาจจะคิดอัดเปิดอัดทรงอัดไว้ได้บุคคลที่เป็นโทสะจริตนั้นมีจิตอันโทโสครอบงำมีแต่จะคิดเป็นวิหิงสาพยาบาทไปจึงไม่อาจจะคิดอัดจำอัดเปิดออกซึ่งอัดได้ บุคคลที่ประกอบไปด้วยโมหะจริตนั้นมีแต่จะหลงเหลือนเฟือนไปมิอาจจะจำอัดทรงอัดคิดอัดเปิดออกซึ่งอัดให้แจ้งได้พิรุโ ก, โกคนมีชาติอันขาดมีแต่จะให้กลัวไปมิอาจจะเปิดซึ่งอัดจำอัดได้บุคคลที่มีจิตเคารพในอาม i ตนั้นด้วยใจนั้นน้อมไปต่อที่จะได้อามิธจึงมิอาจจะคิดอัดได้ มิอาจจะจำทรงอัดได้สตรีภาพที่ใจลามกปัญญาเข่าโฉดนั้นมิอาจจะคิดซึ่งอัดจำอัดเปิดอัดอันลับออกได้และนักเลงสุรานั้นพระวง์อยู่ที่จะดื่มสุราจึงมิอาจจะจำอัดเปิดออกซึ่งอัดอันลับได้มันฑโกคนโอโถงมักตกแต่งซึ่งกายมีจิตหมายจะให้ผู้อื่นรักนั้น เป็นกังวลอยู่ด้วยจะแต่งกายจึงมิอาจจะคิดอัดจำอัดทั้งหลายได้อันหนึ่งทารกนั้นมีสติปัญญาอ่อนรู้แต่จะขนองไหววิ่งเล่นจึงมิอาจจะคิดอัดทรงอัดไว้ได้แก้ไขมาท้วนบุคคลเก้าจำพวกเท่านี้เรื่องพระยามิลินแสดงเหตุที่ให้เกิดปัญญา8ประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาชาวสาคละราช จึงมีพระราชอคอการตรัสประพาธว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสณผู้ปรีชาอันว่าเหตุอันจะให้ปัญญานี้มีแปดประการคือบุคคลมีวัยอันจะมริญนี้ประการหนึ่งจริญยศประการหนึ่งอุตสาหะมันไต่ถามนี้ประการหนึ่งมิได้คบหาด้วยเดยรัจฉีประการหนึ่ง ปัญญาจเจริญด้วยอยู่นิโสมนาสิการกำหนดเอานั้นประการหนึ่งปัญญานั้นจเจริญด้วยธรรมสากระชาพูดจาอัตถธรรมนั้นประการหนึ่งมีสีเนหาระใครในอัตถธรรมนั้นประการหนึ่งอยู่ในประเทศอันสมควร น, นั้นประการหนึ่งสิริเป็นองค์8ปดประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราช อ, องค์การตรัสต่อไปว่าอายังภูมิภาคู ประเทศที่อันนี้ก็ประกอบด้วยองค์คุณ8ประการอันหนึ่งโยมก็เป็นเพื่อนพอจะปรึกษาหาหรืออันยิ่งของพระผู้เป็นเจ้าได้และจะรักษาไว้ซึ่งข้อความอันลับถ้าชีวิตของโยมยังมีอยู่ตราบใดก็จะรักษาไว้ตราบนั้นบัดนี้ปัญญาของโยมก็น้อมมาได้เหตุแปดประการอันเตวัสิกเห็นปานดังโยมนี้ หาได้เป็นอันยากนักหนาเรื่องพระยามิลินแสดงคุณคนที่ควรเป็นอาจารย์ยี่สิบห้าประการอันหนึ่งเล่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญอันว่าอาจาริยะคุณมียี่สิบห้าประการอันเตวาสิ ก, กัมหิสัตตตังสมิตังคืออาจารย์อุปธรรมแก่สิทธิรักสิทธิเป็นนิดเนื่องไปประการหนึ่ง อาเสวนานาเสวนังคืออาจารย์รู้ว่าสิทธิ์นี้ควรจะคบหาไว้และคบหาไว้ไม่ได้ประการหนึ่งปรมัตตาปรมัตตังชานิตพังคือรู้ว่าสิทธิ์ประมาทและไม่ได้ประมาทประการหนึ่งสส ย, ยวกาโศคือรู้ว่าโอกาสแห่งสิทธิ์จะนอนประการหนึ่งคิลานโนคือรู้ว่าสิทธิ์เจ็บไข้ประการหนึ่ง โภชนังลัทธาลทัทธังคือรู้ดูเอาใจใส่ว่าสิทธิคนนั้นได้โภชนะอาหารแล้วสิทธิคนนี้ยังไม่ได้ซึ่งอาหารประการหนึ่งวิเศษโฉนนิตตพโอคืออาจารย์รู้คุณวิเศษประการหนึ่งอาจารย์พึงแจกส่วนอาหารให้สิทธิประการหนึ่งอาจารย์พึงเล่าโลมสิทธิว่าอย่า ก, กลัวประการหนึ่งอาจารย์พึงรู้ซึ่งจะสอนสิทธิว่า บุคคลผู้นี้จำเริญประพฤติอย่างนี้ควรที่ท่านจะประพฤติต่อไปประการหนึง่งอาจารย์รู้คามะอุปาจาร์ประการหนึ่งอาจารย์รู้คุณวิหารอุปจาร์ประการหนึ่งอาจารย์มิให้สิทธิเล่นและหัวเรา ะ, ะเล่นประการหนึ่งอาจารย์เห็นว่าสิทธิ์เป็นโทษห้ามเสียซึ่งโทษอดโทษ ส, ส, นะสิทธิ์ประการหนึ่งสกจังการินามีปกติอ่อนน้อมต่อสิทธิ์ประการหนึ่ง อาว่าขันดาการินามีปกติตักเตือนมิให้ขาดจากเล่าเรียนประการหนึ่งอรหัต ส, สังการินามิได้กระทํากรรมบังไว้ซึ่งอัดอันลับแก่สิทธิ์ประการหนึ่งนิระวะเสสังการินามีปกติมิให้อัดอันลับนั้นเหลือประการหนึ่งอาจารย์พึงคิดว่าจะให้สิทธิ์รู้ศิลปะศาสตร์ประการหนึ่งอาจารย์พึงคิดว่า จะมิให้สิทธเสื่อมจากศิลปะศาสตร์อุปถัมภ์ใจสิทธ์ให้สิทธ์มีจิตจำเริญประการหนึ่งอาจารย์พึงคิดอุปถัมภ์สิทธ์ว่าอัตมาจะกระทําสิทธ์นี้ให้หัดศึกษาเล่าเรียนวิชานี้ประการหนึ่งอาจารย์พึงตั้งจิตเมตตาต่อสิทธ์ประการหนึ่งอาจารย์มิได้ทิ้งสิทธ์ประการหนึ่งอาจารย์มิได้ทิ้งสิทธ์เมื่ออันตรายมาถึงประการหนึ่ง อาจารย์ไม่ได้ประมาทในกิริยาอันควรจะกระทำแก่สิทธิประการหนึ่งทำที่สิทธิเลียนเคลื่อนคลาดไปอาจารย์พึงยกขึ้นบอกให้ประการหนึ่งสิริเป็นคุณอาจารย์25ห้าเท่านี้พระผู้เป็นเจ้าจงปฏิบัติต่อโยมด้วยอาจารยาคุณ25หประการดุจพันานามาชะนี้เพราะสิทธิเช่นตัวข้าพระเจ้านี้หายากหนักหนาบัดนี้ ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูเมนดกะปัญหาชินะเทสิโตที่สมเด็จพระมหาชิเนธอนสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้ข้าพเจ้าสงสัยอยู่มากนะักอนาคเตอัธานีเมื่อการล่วงไปข้างหน้ากุลบุตรที่เกิดมาเป็นปัจฉิมาชนะตาจะวิวาทกันจะมีป ร, รับประว่าคำภายนอกสอดถามเข้ามา จะหามีผู้วิสัชนาแก้ไขใหม่และภิกษุซึ่งจะมีปัญญาเช่นผู้เป็นเจ้าไปข้างหน้าจะหายากไม่มีแล้วนี่หม่นพระผู้เป็นเจ้าให้จะขุไว้ที่จะได้แก้ไขปัญหาข่มขี่ถ้อยคำประรับประวาดเมื่อน่าโยมจะถามปัญหาแก่พระผู้เป็นเจ้าสืไปจงโปรดวิสัชนาแก้ไขในการบัดนี้เรื่อง พระนาคเสสนแสดงคุณแห่งอุบาสกสิบประการพระนาคเสสนรับคำว่าสาธุแล้วก็สำแดงคุณอุบาสกสิบประการว่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิธพระราชสมภารคุณอุบาสกสิบประการคืออุบาสกในพระศาสนานี้มีสุขและทุกข์เสมอกันไปด้วยพระภิกษุสงฆ์ประการหนึ่ง อุบาสกพึงรักษาสุจริตในกายและวาจามิได้ประพฤติทุจริตประการหนึ่งมิทำเป็นอธิบดีประการหนึ่งสวิภาคารโตยินดีที่จะจำหน่ายจ่ายทานประการหนึ่งเพียรพยายามเพื่อจะรู้คำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรเจ้าประการหนึ่งสัมมาทิฏฐิโกเป็นสัมมาทิฏฐิประการหนึ่ง ปราศจากโกตุหนมงคลภายนอกพระาศาสนาสมัคารามโมยินดีในที่จะให้พระภิกษุสงฆ์พร้อมเพรียงกันและยังอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้พร้อมหน้ากัรทาบุญให้ทานประการหนึ่งมิได้ประพฤติโกหกลามกในพระาศาสนาประการหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งประการหนึ่ง ดุกระบ่อพิษพระราชสมภารสิลิคุณอุบาสกสิบประการคุณอุบาสกสิบประการนี้พึงให้มีในพระราชสันดานแห่งมหาบ่อพิษพระราชสมภารประการหนึ่งมหาบ่อพิษพึงเอาพระทัยใส่เห็นเหตุสิ่งไรที่พระพุทธศาสนาจะโรยราเสื่อมเศร้าไปมีน้ำพระทัยจะธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรจะมริญไป จงแต่ถามไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดอัตมาถวายโอกาสแก่มหาบพิษมหาบพิษจงถามให้สำรานพระไทยในการบัดนี้จบปรารบเมนกากปัญหา